ที่มีความศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศลในเรื่องความดีงามทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีเพราะเราเชื่อว่าการกระทำความดี การทำบุญทำกุศลจะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตจิตใจของพวกเรา <c oughs> เมื่อเรามีโอกาสเราก็จะไม่ปล่อยเวลาที่มีคุณค่านี้ให้ล่วงผ่านไปโดยไม่ได้ทำความดี ไม่ได้ทำบุญทำกุศลเพราะชีวิตของเรานั้นเวลามีจำนวนจำกัดคืออายุของเราคงไม่เกินร้อยปีกันเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นแล้วเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถทำความดีทำบุญทำกุศลได้ จะทำได้ก็ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพราะถึงแม้ว่าเรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่สามารถทำอะไรได้เราก็จะ ไม่สามารถทำบุญทำกุศลทำความดีได้เราจึงต้องอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปวันวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราถามตัวเราเองเสมอว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำความดีเรากำลังทำบุญทำกุศลเรากำลังละ บ, บาป ก, กันอยู่หรือเปล่า หรือเรากำลังสนุกสนานกับการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเช่นการดูสิ่งต่างๆการฟังสิ่งต่างๆการดื่มการรับประทานอาหารชนิดต่างๆเหล่านี้แม้จะเป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วขณะที่ได้สัมผัสเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นความสุขที่จีรังถาวรไม่ได้ให้ความอิ่มให้ความพอแต่จะให้ความหิวความกระหายความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนเราถ้าไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแล้วต่อให้มีมากน้อยเพียงไรต่อให้ได้สัมผัสได้เสพ สิ่งต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะก็จะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมคือจุดที่หิวที่กระหายที่อยากอยู่นั่นเวลาเราอยากเราก็มีความกระหายมีความหิวเราก็ไปหาสิ่งต่างๆมาตามความหิวตามความอยาก พอได้มาก็ระงับความหิวความอยากบายได้ชั่วคราวพออีกไม่นานความหิวความอยากความกระหายก็ย้อนกลับคืนมาอีกเราจึงต้องออกไปหาสิ่งต่างๆมาเยียวยาความหิวความอยากของกิเลสตัณหาอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้น ตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้เคยพบกับความอิ่มความพอสักทีเพราะเราไปหาสิ่งที่ไม่ให้ความอิ่มความพอกับจิตใจของเรานั่นเองสิ่งที่ให้ความอิ่มความพอมีอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันเราต้องให้มี คนอย่างพ่ะพุทธเจ้ามาตัดสรุ้มารู้ถึงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนความอิ่มความพอนั้นอยู่ตรงไหนเมื่อรู้แล้วก็นาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้กันเพื่อพวกเราจะได้มีหูตาสว่างจะได้ไม่หลงไปหาสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับเราถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้าหรือคนอย่างพระอาหารหันตสาวกมาสั่งสอนพวกเราอยู่อย่างต่อเนื่องพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะพบกับความอิ่มกับความพอจะไม่พบกับความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ได้ แต่วันนี้ชาตินี้พวกเรามีวาสนาเราได้มาเกิดได้มาเจอพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้เจอพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแม้นเราจะไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองก็ตามแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือถ้าเราได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะสาระสำคัญของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่อาการ32ซึ่งมีเหมือนกันหมดทุกคนในโลกนี้มีรูปร่างมีหน้าตามีอาการ32เหมือนกันหมด แต่ไม่มีความหมายไม่มีสาระสำคัญอะไรเพราะเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นใจท่างหากที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระ อ, อริยสงสาวกถ้าใจนั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จนเข้าใจอย่างเต็มที่แล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุข ใ ห, ให้ความอิ่มให้ความพอแก่จิ li so, ตใจได้มีอย่างเดียวที่จะให้จิตใจได้ก็คือบุญกุศลการทำความดีเท่านั้นเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็จะได้ไม่ไปหลงหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกหันเข้ามาหาความสุขภายในที่จะเกิดขึ้น จากการทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆพวกเราโชคดีที่ได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกที่ยัง <c oughs> สามารถนำเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นเอามาสั่งสอนเผยแผ่ให้กับพวกเรา พวกเรามีหน้าที่คือฟังฟังแล้วก็ให้เกิดศรัทธาขึ้นมาให้เชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเมื่อเชื่อแล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติต่อไปเมื่อปฏิบัติแล้วผลคือความอิ่มความพอก็จะเกิดขึ้นมาในจิตในใจ แล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ภายในใจที่สงบที่ปล่อยวางใจจะปล่อยวางใจจะสงบได้ใจก็จะต้องทำบุญทำทานทำความดีต่างๆนั่นเองเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติด อย่างวันนี้ญาติโยมนําเอากับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆและเงินทองที่มีค่าสําหรับญาติโยมแต่ญาติโยมไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นว่ามีเหลือกินเหลือใช้มีเกินความจําเป็นก็ไม่เก็บเอาไว้ให้เป็นภาระ ทางจิตใจเมื่อได้เอามาทําบุญเอามาแจกเอามาจ่ายเอามาถวายให้กับพระภิกษุษสา ม, มนเณรและศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทําบุญกัน mm hmm. ก็จะทำให้ใจเรามีความสุขเพราะว่าใจได้ปล่อยวางไปในระดับหนึ่งปล่อยวางข้าวของเงินทอง mm hmm. ที่มีเหลือเกินเหลือใช้ไม่หวงไม่เสียดายนี่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจในเบื้องต้นเมื่อเราทําไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอความบริสุทธิ์ใจนี้หมายถึงว่าทําไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับ ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนทั้งสิน้นเพราะสิ่งตอบแทนมันมีอยู่ในใจของเราแล้วในใจที่ได้ปล่อยวางในใจที่ได้ที่ไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งสิน้นนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการที่เราไม่ปรารถนาไม่ต้องการอะไรจากใคร ถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ไปได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอแต่ใจของเรายังไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาเราเพียงทำได้เพียงแต่ส่วนที่เราไม่มีความจำเป็นกับมันเท่านั้นเองแต่ส่วนที่เรายังมีความจำเป็นกับมันอยู่ เราก็ยังมีความเสียดายยังมีความหวงและมีความอยากที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าใจของเรานั้นไม่จําเป็นต้องมีอะไรเลยก็มีความสุขได้และเป็นความสุขที่ ดีกว่าการมีอะไรเสียอีกเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามสิ่งที่เรามีนั้นจะต้องสร้างภาระทางจิตใจคือสร้างความห่วงใยสร้างความกมังวลสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของต่างๆก็ดีบุคคลต่างๆก็ดี หรือแม้แต่ร่างกายของเราก็ดีเปรื่วนเป็นภาระทางจิตใจทั้งสิ้นแต่ใจไม่รู้ว่าตนนั้นสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นจึงหลงไปควา้าหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาคว้าร่างกายมาแล้วก็เอาร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือไว้หา สิ่งต่างๆอีกต่อหนึ่งแล้วเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีความทุกข์ตามมาเพราะมีความยึดติดนั่นเองไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะหลงคิดว่าต้องมีสิ่งเหล่านี้จึงจะมีความสุขได้แต่เราก็มีร่างกายนี้มาตั้งหลายหลายปีแล้ว มีสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆมากมายก่ายกองมีคนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของเราเช่นมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงเราก็มีมากมายพอสมควรแล้วแต่เรายังไม่เคยพบกับความอิ่มความพอ เพราะว่าใจของเราต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ความสุขนั่นเองและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรไม่ได้อยู่กับใจไปตลอดสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่บุคคลต่างๆที่เรามีอยู่แม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องแปลสภาพเสื่อมลงไป และดับไปในที่สุดแต่ใจของเราไม่ได้ดับตามสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่รู้ใจเราไม่รู้เพราะใจเราไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแสดงให้เราเห็นว่ามีใจของเราเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับไม่สูญสลาย ไปเหมือนกับสิ่งต่างๆและเป็นสิ่งและใจเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ต้องมีอะไรอยู่สามารถอยู่ตามลำพังของตนเองได้อย่างอิ่มอย่างพออย่างมีความสุขเต็มที่นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอน แล้วถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็ต้องมาปฏิบัติมาพยายามตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆทั้งหมดเพราะมีมากน้อยเพียงไรก็จะมีความทุกข์มากน้อยตามไปเพียงนั้นมีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งนั้นทั้งในขณะที่อยู่ร่วมกันและในเวลาที่ต้องจากกัน เวลาที่อยู่ร่วมกันก็มีความห่วงมีความกังวลเวลาจากกันก็ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนั้นกับจะสบายเพราะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรอาวรณ์กับอะไรนี่คือสิ่งที่ใจควรจะทำให้ได้ คือละความยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงร่างกายของเรานี้ด้วยเพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องแตกดับไปจะยึดติดหรือไม่ก็ตามมันก็จะต้องแตกดับไปเช่นเดียวกันแต่ใจที่ไม่ยึดไม่ติดจะเป็นใจที่ไม่เดือดร้อน ไม่ทุกไม่เศร้าโศกเสียใจไม่อะไรอววรแต่ใจที่ยึดติดจะเป็นใจที่มีแต่ความวุ่นวายรุ่มร้อนกังวล <c oughs> เศร้าโศกเสียใจอะไรอววรไปตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอย่างไร จะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนใจนี้มีทางเลือกทางที่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายก็คือปล่อยวางหมายความว่าให้รู้ว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมีไว้ครอบครองนี้จะต้องจากไปทั้งหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย เมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ติดเตรียมตัวเตรียมใจเมือนกับยืมของเขามารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องคืนของที่ยืมมาไปเมื่อรู้อย่างนี้ถึงเวลาที่จะต้องคืนไปก็จะไม่เสียใจไม่เสียดายอะไรนี่เป็นสิ่งที่ใจเราสามารถทำกันได้ทุกคน ถ้าเราเห็นว่าการยึดติดเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถ้าเราเห็นว่าการไม่ยึดติดเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษถ้าเราเห็นว่าการยึดติดการไม่ยึดติดเป็นการอยู่ที่สุขที่สบายอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ยังไม่เชื่อก็ขอให้เราดู พระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสองสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านเป็นผู้ที่ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งหมดปล่อยวางได้ทั้งหมดทั้งสมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆรวมไปจนถึงร่างกายของท่านจะแก่จะเจ็บจะตายจะอดอยากขาดแคลนอย่างไรใจไม่ดู้นวายตามไปด้วย เพราะใจมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาคือแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองความรู้ที่จะปลดเปื้องไม่ให้ใจไปยึดไปติดไปหลงไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจนี่แหละคือเรื่องของพระศาสนาเป็นอย่างนี้ศาสนาสอนให้เรา ดำเนินชีวิตไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องเชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะฟังต่อไปหรือ จะนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเราเคยทุกข์กับอะไรอย่างไรเราก็จะทุกข์ต่อไปเราจะวุ่นวายกับอะไรอย่างไรเราก็จะวุ่นวายต่อไปเราจะห่วงจะกนนังวลก็ต้องห่วงกังวลต่อไปเราจะ เศร้าโศกเสียใจอะไรอววรกับสิ่งต่างกับอะไรก็ตามเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรอววรต่อไปนี่เป็นทางของผู้ที่ไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติแต่ถ้าเราเชื่อเราก็นำเอาไปปฏิบัติด้วยการ ปฏิบัติจากขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนสิ่งใดที่เราตัดได้พยายามตัดไปก่อนสิ่งใดที่เราเห็นว่ามันไม่มีความจาเป็นต่อต่อการดำเดนินต่อการดำรงชีพเราก็ตัดมันออกไปเช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆมันไม่มีความจมเป็นอะไรสิ่งที่จาเป็นก็คือปัจจยัยสี คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มก็มีพอเพียงมีพอประมาณก็พอแล้ว <c oughs> นอกจากนั้นถ้ามีเกินกว่านั้นเช่นถ้ามีเสื้อผ้าอยู่ล้นตู้แล้วไม่เคยใส่เป็นเวลาหลายปีก็ไม่ควรเก็บไว้ให้มันเกะ ก, กะไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างภาระทางจิตใจ ถ้าเรานำเอาสิ่งเหล่านั้นไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างเราก็จะปลดเปื้องภาระทางใจคือความห่วงที่จะต้องคอยดูแลรักษาแล้วเราจะได้ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นเขามีความสุขจากการกระทำของเรา เราก็จะมีความสุขตามไปด้วยเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจแล้วจะทำให้เรามีกำลังที่จะตัดที่จะละสิ่งต่างๆที่ไม่สำคัญที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเช่นการกระทำต่างๆที่มันไม่มีคุณมีประโยชน์เช่นการเสพสุรายาเมาอย่างนี้เป็นต้นการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนัน พราทำไปก็มีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียฉุดลากให้เราลงไปสู่ความทุกข์มากยิ่งขึ้นลึกลงไปยิ่งขึ้นถ้าเราเลิกสิ่งเหล่านี้ได้เราจะได้มีเวลาที่จะสร้างกําลังจิตสร้างกําลังใจให้สามารถตัดให้อุปทานความยึดติดในสิ่งต่างๆที่เรายังไม่สามารถตัดได้เวลาที่เราจะ เอามาสร้างกำลังใจก็คือมาวัดนี่เองมาวัดแต่มาอยู่มาปฏิบัติมาถือศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นมานั่งไหว้พระสวดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมน์เดินจงกรมพิจารณารมในในลักษณะต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงแต่กลับให้ความทุกข์กับเราเพราะสร้างความกังวลสร้างความห่วงใยสร้างความเสียดายสร้างความอะไรเอาวอนและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราของเรา กไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะกลายเป็นของสับเปลือไปสับเปลือเขาก็จะเอาไปเผาเท่านั้นเองกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแต่ใจของเรานี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ถ้าแต่ถ้าหลงก็จะต้องทุกวุ่นวายใจถ้ายังยึดติดอยู่กับร่างกายก็จะวุ่นวายใจแต่ถ้าได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติสร้างกำลังจิตกำลังใจ สร้างแสงสว่างแห่งธำมให้เกิดขึ้นมาในจิตในใจแล้วใจจะมีกำลังที่จะตัดความยึดติดในร่างกายนี้ได้อย่างเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ตัดเมื่อตัดแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไม่วุ่นวายกับอะไรอีกต่อไปจะเป็นจะตายก็เท่ากัน อยู่ก็เท่ากับตายตายก็เท่ากับอยู่เพราะใจไม่ได้ตายไม่ได้อยู่กับร่างกายนั่นเองใจอยู่ส่วนของใจใจมีธรรมะมีบุญมีกุศลมีปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมไว้คอยดูแลรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบปล่อยวางเป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำให้กับตัวของเราได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้เวลาในชีวิตของเราในแต่ละวันผ่านไปบทดไปด้วยการกระทำในสิ่งที่ไร้สาระต่างๆทำในสิ่งที่จะสะสมความทุกข์สะสมความยึดติดต่างๆ ถ้าเรานำเอาเวลาเหล่านี้ที่มีคุณค่ามาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่พวกเราได้มากระทำกันในวันนี้รับรองได้ว่าชีวิตจิตใจของเราจะดีขึ้นไปตามลำดับและจะดีจนถึงจุดสูงสุดได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่ในชาตินี้ก็ในชาติต่อๆไปและก็จะไม่มีพบชาติอันยาวนานเหมือนกับพวกที่ไม่มีความศรัท ธ, ธาไม่เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าได้ เือได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนแล้วภพชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆและภพชาติที่เหลืออยู่ก็จะเป็นภพชาติที่ดีคือจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพเป็นพรหมไปกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างภพทั้งสามนี้แต่จะไม่ค่อยได้ลงไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกเพราะมี บุญมีกุศลไว้คอยคุ้มครองคอยปกป้องไม่ให้ตกลงไปนั่นเองการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแต่ได้กับได้มีแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียวพวกเราจึงไม่ควรสงสัยไม่ควรหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะ ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นจึงขอให้ท่านจงศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้อ่านไปปฏิบัต แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของท่านจ ะ, จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดได้สักวันหนึ่งอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องราวของการทำความดีการทำบุญทากุศลอย่างต่อเนื่องให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติต่ตอไปการแสดง